ทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้พระพุทธภาษิตเยธาปิปุพราสิมหากยิรามาเลคุเน บ, บหฮุเอวังชาเตนะมัจเจนะกัปต บ, บังกุสลังบาหุบุคคลผู้เกิดมาแล้วควรทำกุศลให้มากเหมือนช่างทำดอกไม้ทำพวงดอกไม้ได้มากจากกองดอกไม้อันมากฉะนั้นอธิบายความ พระอาจกถาจารย์อธิบายว่าถ้าดอกไม้มีน้อยแม้ช่างดอกไม้ฉลาดก็ไม่สามารถทําดอกไม้ให้มากได้หากช่างดอกไม้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้มีน้อยหรือมากกว่าตามย่อมไม่อาจทําพวงดอกไม้ได้ฉันใดบุคคลบางคนมีศรัทธาน้อยแม้สมบัติจะมีมากก็ไม่อาจทํากุศล ม, มากได้บางคนศรัทธามีมากแต่โภคะมีน้อยก็ไม่อาจทํามากเหมือนกันบางคนศรัทธาก็น้อยโภคะก็น้อยก็ไม่อาจทําได้ ส่วนบางคนมีศรัทธามากด้วยมีโภคะมากด้วยเขาย่อมทํากุศลให้โอฬารได้นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้เช่นนั้นคือมีมากทั้งศรัทธาและโภคะพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้หมายเอานางวิสาขานั่นเองในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนอกจากความดีเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายรวมทั้งความโศกเศร้าเสียใจพิไล ร, รำพันต่างๆห้อมล้อมชีวิตอยู่ เสมือนภูเขาใหญ่สีลาล้วนกลิ่งบทมาทั้งสี่ทิศมนุษย์ควรจะทำอะไรยิ่งกว่ากุศลจริยาคือประพฤติ ธ, ธรรมที่เป็นกุศลสมจริยาประพฤติ ธ, ธรรมที่สุดจริตชีวิตมนุษย์น้อยเกินไปไม่ควรประมาทพอถึงวัยหกสิบก็ไกลาตายเต็มทีและเป็นไปได้เสมอที่จะตายก่อนนั้นมีอะไรเล่าเป็นทุนสำหรับโลกมานอกจากบุญกุศลอันตนได้ทาเองในเมื่อมีเรี่ยวแรงกาลังอยู่ สัตว์ผู้เกิดมาจึงควรรีบเรล่งขวนขวายทำบุญกุศลไว้ให้มากชีวิตจริงๆของเราเคยชีวิตในโลกหน้าเสมือนเรือนอยู่ประจําของเราส่วนชีวิตในโลกนี้เป็นเสมือนสาลาพักในระหว่างทางเท่านั้นชีวิตมนุษย์เราไปถึงร้อยปีก็จงตายแต่ชีวิตของเทพแม้เพียงเทพชั้นดาวดึงก็มีระยะอายุถึง36กล้านปีมนุษย์ลองคิดดูเถิดว่าห่างกันเพียงใดและชีวิตในโลกทิพนั้นมิได้ทุกทรมานอย่างชีวิตในโลกมนุษย์ พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษณ์นี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารบนางวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องนางวิสาขานางวิสาขาได้นามตามหลังชื่อว่ามหาอุบาสิกาเพราะได้มีอุปการะต่อพระศาสดาและพระสงฆ์สาวกมากไม่มีหญิงใดในสมัยพุทธกาลจะทําได้อย่างนางนอกจากเป็นผู้อุปการะพระสงฆ์แล้วยังเป็นที่รักเหลือเกินของชาวเมืองสาวัตถีและสาเกต รมีอัธยาไสางามและกว้างขวางต้นตระกูลเดิมของวิสาขาอยู่เมืองพัทยะปู่ของนางคือเมนทกะเศรีเป็นเศรีใหญ่คนหนึ่งของเมืองพัทยะบิดาของวิสาขาชื่อธน an ันชัยเป็นเศรีเหมือนกันมารดาชื่อสุมนาเทวีคำเทวีในอินเดียนั้นหญิงทั่วไปใช้เป็นชื่อได้ไม่จาเป็นต้องเป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพัทยานะครนั้นอยู่ในแคว้นอังคะสมัยนั้น อังคะและมคตคงจะอยู่ในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเมื่อพระพเจ้าประสิทธิ์ที่โกลวสนเสด็จไปทูลขอเศรษฐีใหญ่ๆกับพระเจ้าพิมพิสารนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้พระราชทานท น, นชัยเศรษฐีบุตรชายคนโตของเมกะเกษตีและเป็นบิดาของนางวิสาขาไปกับพระเจ้าประเสิทธิเมื่อเดินทางมาใกล้สาวัตถีประมาณเจ็ดโยชนันชัยเห็นสถานที่ดีจึงทูลขอตั้งบ้านเรือนที่นั้นอ้างว่าบริวารของตนมาก ในเมืองสาวัตถีคนมากอันแอพระเจ้าประเสิทธิก็พระราชทานให้ธนัญชัยตั้งบ้านเมืองตรงนั้นชื่อว่าเมืองสาเกตเพราะพวกเขามาถึงในเวลาเย็นวิสาขาบุตรตรีของธนัญชัยนั้นเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุเจดขวบคราวเมื่อพระศาสดาเสด็จพัทยานครก่อนที่วิสาขาจะย้ายตามบิดามาอยู่สาเกตในเมืองสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีใหญ่อยู่ตระกูลหนึ่งเศรษฐีชื่อมีคาระ บุตรชายชื่อปุณณวัฒนกุมารเมื่อกุมารพอจะมีพัญญาได้แล้วบิดามารดาก็ขอให้เขาเลือกหญิงที่ชอบใจแล้วจะแต่งงานให้แต่บุตรชายบอกว่ายังไม่ต้องการมีพัญญาพ่อแม่บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สกุลที่ไม่มีบุตรตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อเขาถูกมารดาบิดารบเร้าอยู่เสมอบ่อยๆจึงบอกว่าหากได้หญิงที่ประกอบด้วยความงามห้าอย่างคือเบญจกัลยาณีก็จะแต่งงาน ถ้าไม่ได้ก็ไม่แต่งอะไรคือความงามห้าอย่างพ่อแม่ถามคือผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามและวัยงามกุมารตอบเมื่อมารดาบิดาถามถึงรายละเอียดปุณณวัฒนกุมารอธิบายว่าผมงามและเป็นผมของหญิงมีบุญนั้นคือยาวสลวยลงมาเหมือนกำหางนกยูงแล้วปลายกลับช้อนงอนขึ้นข้างบนเนื้องามนั้นคือริมฝีปากแดงสดเหมือนผลตาลึงสุก เรียบชิดสนิท ด, ดีกระดูกงามนั้นหมายถึงฟันงามไม่ห่างกันเป็นระเบียบงามดุดระเบียบแห่งเพชรผิวงามนั้นมีสองอย่างคือหากดำก็ดำเหมือนดอกโบวเขียวหากขาวก็ขาวอย่างดอกกัิกาวัยงามนั้นคือแม้จะคลอดบุตรแล้วถึงสิบก็ยังสวยอยู่ดังเดิมพ่อแม่ของปุณณวัฒนกุมารตามใจลูกจึงเชิญพราหมล้อยแปดคนมาเลี้ยงอาหารแล้วถามว่า หญิงที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจ ก, กัลยาณีมีอยู่หรือไม่พวกพราหมณ์ตอบว่ามีจึงขอร้องให้พราหมณ์แปดคนไปเที่ยวสอสแสวงหาหญิงดังกล่าวกลับมาแล้วจะให้รางวัลอย่างงามขณะที่พวกพราหมณ์ออกเดินทางก็ให้เงินไปเป็นอันมากพร้อมทั้งพวงมาลัยทองคําราคาแสนหนึ่งสำหรับมอบให้หญิงผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจ ก, กัลยาณีพวกพราหมณ์ท่องเที่ยวไปตามนครใหญ่ๆก่อนเมื่อไม่พบจึงกลับมายังเมืองสาเกต พอดีมาถึงในวันมีงานนักขัดตะเลิกประจำปีในงานนี้หญิงทุกคนที่เคยปิดหน้าก็เปิดผ้าคลุมหน้าไปสู่ท่าน้ำจึงเรียกกันว่าวิวตัตนขัดตะเลิกงานนักขัดตะเลิกเปิดเมื่องานเช่นนี้มาถึงเข้าสตรีที่ไม่เคยออกจากเรือนก็ออกในวันนี้เดินกันเป็นกลุ่มๆไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบน้าคือในวันสำคัญค ญ, ญชาวอินเดียทั้งหญิงและชายนิยมไปอาบน้าที่แม่น้า โดยเฉพาะแม่น้ํำคงคานั้นเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักในวันอย่างนี้อนุญาตให้ชายหนุ่มเอาพวงมะลัยที่เตรียมมาคล้องหญิงสาวที่ตนชอบและขอแต่งงานได้หากทางฝ่ายหญิงพอใจก็รับพวงมาลัยไว้แล้วถามถึงชาติตระกูลของชายหนุ่มเจ้าของพวงมาลัยถ้าพอใจก็ให้ฝ่ายชายไปสู่ขอ ก, กรรมนาพิดาดังนั้นในงานนี้ชายหนุ่มผู้ดีมีสกุลจึงถือพวงมาลัยไปแอบอยู่ตามทางเพื่อมอบพวงมาลัยให้หญิงที่ตนชอบ วันนั้นวิสาขาก็ออกจากบ้านไปท่าน้ำกับหญิงบริวารเวลานั้นเธอมีอายุสิบหกปีกำลังสาวสวยพวกพราหมณ์ที่สแสวงหาหญิงเบญจคัลยาณีเข้าไปยืนอยู่ที่ศาลาริมแม่น้ำเมื่อวิสาขาเดินมาจนถึงศาลาฝนก็ตกพวกหญิงบริวารกลัวเปียกจึงพากันวิ่งเข้าศาลาส่วนวิสาขาไม่ยอมวิ่งคงเดินไปอย่างปกตินั่นเองพวกพราหมณพิจารณาดูหญิงอื่นๆไม่เห็นลักษณะเบญจคัลยาณีวิสาขา เข้าไปยังศาลาผ้าและอาพรเปียกโชกพวกพรามเห็นความงามสี่อย่างของนางแล้วอยากจะเห็นฟันของเธอจึงแรงพูดว่าทิดาของพวกเราเฉยชาเกินไปเมื่อแต่งงานสามีคงไม่ได้กินอะไรเป็นแน่แท้ท่านว่าใครคะวิสาขาถามว่าเธอนั่แหละแม่หนูพรามได้ยินเสียงอันไพเราะของนางประหนึ่งเสียงกังสดานทาไมจึงว่าฉันพรามจึงอธิบายว่าหญิงบริวารของเธอเมื่อฝนตก พากันวิ่งเข้าศาลาเพื่อมิให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียกเธอมิเดรีเหมือนค น, น, นอื่นๆปล่อยให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียกไปหมดวิสาขาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าว่าฉันอย่างนั้นฉันแข็งแรงกว่าหญิงบริวารมากแต่ที่ฉันไม่วิ่งก็เพราะมีเหตุผลบางอย่างเมื่อพราหมณ์ถามว่ามีเหตุผลอะไรวิสาขาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายเหตุผลประการที่หนึ่งคือธรรมดาหญิงเมื่อวิ่งย่อมดูไม่งาม แต่เมื่อเดินไปตามปกติธรรมดาของตนนั่นแหละจึงแลดูงามเพราะท่านกล่าวว่าคนสี่จำพวกวิ่งไม่งามคือพระราชาผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงเมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระลานหลวงย่อมไม่งามคนทั้งหลายย่อมตีตียได้ว่าพระราชานี้วิ่งไปเหมือนสามันชนแม้ช้างมงคลของพระราชาที่ประดับประดาด้วยกระชาพรแล้ววิ่งไปย่อมดูไม่งามแต่เมื่อค่อยๆเดินไปด้วยลีลาแห่งช้างย่อมดูงาม วรนพชิตเมื่อวิ่งย่อมไม ง, งามคนทั้งหลายย่อมติเตียนว่าสมณะนี้วิ่งเหมือนคลือหักอีกพวกหนึ่งคือหญิงเมื่อวิ่งไปย่อมได้รับคําติเตียนว่าทําไมหญิงนี้จึงวิ่งเหมือนชายส่วนเหตุผลประการที่สองคือมารดาบิดาย่อมถนอมอวัยวะน้อยใหญ่ของทิดามาตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้เป็นผู้มีอวัยวะสมบูรณ์หากสตรีวิ่งไปอาจเหยียบชายผ้หนุง่งหรือลื่นหกลงลงมือหรือเท้าหัก ก็จะต้องตกเป็นภาระของสกุลอีกส่วนเสื้อผ้านั้นเปียกแล้วก็แห้งได้ข้าพเจ้ากำหนดเหตุสองประการนี้จึงไม่วิ่งขณะที่นางพูดพวกพราหมณ์คอยสังเกตฟันเห็นถึงพร้อมด้วยลักษณะแห่งฟันของเบญจกัลยานีแล้วจึงให้สาธุการแก่นางและกล่าวว่าสมบัติเชน่นนี้พวกเราไม่เคยเห็นเลยดังนี้แล้วได้มอบพวงมลัยทองคาให้วิสาขาสอบถามเรื่องต่างๆทราบโดยตลอดแล้ว จึงส่งข่าวถึงมารดาบิดาให้นำรถมารับนางได้กลับบ้านพร้อมกับพวกพราม์ทั้งแปดคนเศรษฐีผู้เป็นบิดาของวิสาขาถามถึงชื่อสกุลและทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายทราบว่ามีทรัพย์อยู่สี่สิบกดคือสี่ร้อยล้านคิดว่าทรัพย์เท่านี้เมื่อเทียบกับของตนแล้วก็เล็กน้อยเหลือเกินเหมือนกับสตางค์เดียวแต่เศรษฐีก็ไม่ได้คิดถึงเงินมากนักเพราะมีมากอยู่แล้วคิดเพียงว่า เมื่อบุตรีจะได้แต่งงานมีผู้คุ้มครองรักษาก็พอแล้วจึงต้อนรับพราหมณ์พวกนั้นด้วยความยินดีพราหมณ์อยู่บ้านของธนันชัยสองวันจึงลากลับไปสาวัถีฝ่ายมิคารเศรษฐีบิดาของปุณณวัฒนกุมารทราบเรื่องราวจากพราหมณ์โดยตลอดแล้วพอใจว่าได้ทิดาของสกุลใหญ่ควรจะรีบไปรับมาจึงกราบทูลพระเจ้าเสรตที่กัวพระราชาทรงทราบแล้วทรงดาริว่า ตระกู น, นั้นพระองค์นํามาเองควรจะทําการยกย่องให้ปรากฏจึงตรัสบอกมิคาระเศรษฐีว่าแม้พระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันมิคาระเศรษฐีได้ส่งข่าวถึงทานานชัยว่าจะมารับวิสาขาในการนี้พระราชาจะเสด็จมาด้วยพระราชาทรงมีข้าราชบริพารมากเศรษฐีจะพอรับไหวหรือไม่ทานาญชัยเศรษฐีตอบว่าแม้พระราชาจะเสด็จสักสิบองค์เขาก็ต้อนรับได้ ตัวมิคาระเศรษฐีเองก็พาคนไปมากเว้นคนเฝ้าเรือนไว้นอกนั้นทาไปหมดได้หยุดอยู่ในระยะทางห่างจากบ้านของธนันชัยประมาณครึ่งโยน์แล้วส่งข่าวไปให้ธนันชัยทราบว่าตนและบริวารมาแล้วเศรษฐีส่งเครื่องบรรณาการไปต้อนรับแล้วปรึกษากับธิดาว่าจะให้ใครพักเรือนหลังไหนอย่างไรในที่สุดได้มอบให้เป็นหน้าที่ของวิสาขาเป็นผู้จัดวิสาขานั้นเป็นสตรีที่ฉลาด มียาณเฉียบแหลมคมกล้าประดุดเผ็ดมีบุญญาธิการมากแม้จะอายุอย่างน้อยแต่สามารถจัดงานใหญ่นี้ได้อย่างเหมาะสมไม่มีใครตำหนิดได้แม้คนเลี้ยงช้างเลี้ยงมาก็จัดไว้ให้เขาเพื่อให้คนเลี้ยงช้างเลี้ยงมาของแขกได้มีโอกาสเที่ยวชมบ้านชมเมืองบ้างเขาไม่อาจตำหนิดได้ว่าไปงานของวิสาขาไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะต้องเฝ้าช้างเฝ้ามา้าบิดาของวิสาขาให้เรียกช่างทองมาห้าร้อยคน ทำเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาปราสาทด้วยทองสุกพันลิ่มเงินแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประลานและเพชรมีจํานวนเท่าทองพระราชาประทับอยู่สองสามวันตรัสกับธ น, นชัยเศรษฐีว่าเศรษฐีจะเลี้ยงดูพวกเราคงลําบากนักก็ให้รีบส่งกุมารีไปเสิฮะเศรษฐีทูลว่าบัดนี้เป็นฤดูฝนแล้วการเสด็จไปเป็นการลําบากเพราะฉะนั้นขอให้ทรงยับยั้งอยู่ที่คนครสาเกต การบริการต่างๆแก่ไพ่ผลของพระองค์เป็นหน้าที่ของข้าพระองค์อันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับได้ก็ต่อเมื่อข้าพระองค์ทรงเสด็จเท่านั้นตั้งแต่นั้นมานครสาเกตเป็นประดุษมีนักขะะัดเปรตประจํามเดือนล่วงไปเครื่องประดับของวิสาขาก็ยังไม่เสร็จเฟืนสําหรับภผงต้มเลี้ยงแขกหมดเจ้าหน้าที่บอกเศรษฐีเศรษฐีให้หรื้อโรงช้างโรงม้าเก่าเก า, ก า, กามาทําฟืนเมื่อโรงช้างโรงม้าเก่าเก า, ก า, กาหมดก็ให้เบิกคลังค่า เอาผ้าเนื้อหยาบทําเป็นเกลียวชุบลงในตุ่มน้ํามันทําเชื้อเพลิงพอครบกําหนดสเดือนเครื่องประดับมหาลดาปราศาสก็เสร็จต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องประกอบของเครื่องประดับเพชรสี่ทนานแก้วมุกดาสิบอดทนานแก้วประพานยี่สิบทนานแก้วมณีสามสิบสามทนานส่วนใดที่พึงใช้ได้ใช้เงินแทนเครื่องประดับนี้คลุมศีสากยาวลงมาจดหลังเท้าลูกดุม ทำด้วยทองห่วงลูกดุมทำด้วยเงินนกยุงตัวหนึ่งรำแพนอยู่เหนือสีษะทำด้วยวัตถุต่อไปนี้ขนปีกววาทำด้วยทองห้าร้อยขนขนปีกซ้ายทำด้วยทองห้าร้อยขนจะงอยปากทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมณีคอและแววหางทำด้วยแก้วมณีก้านขนทำด้วยเงินขาทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้มีราคาเก้าโกดคือเก้าสิบล้านค่าจ้างทำ คือค่าแรงงานหนึ่งแสท่านกล่าวว่าการได้เครื่องประดับมหาลดาประสาทนั้นเป็นผลแห่งการถวายจีวรส่วนชายย่อมได้รับจีวรละบาทอันสําเร็จด้วยฤทธิ์เป็นอานิสง์แห่งจีวรทานในการแต่งงานบุตรีคราวนี้เองเศรษฐีได้ให้อุปกรณ์เครื่องเรือนทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรีต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยนอกจากนี้ยังให้โคไปอีกเป็นจำนวนมากนับเป็นหมืนม่นๆตัวแต่คนชายชายหญิงนั้นเศรษฐีไม่ได้จัด แต่ให้สมัครใจไปเองปรากฏว่ามีคนติดตามไปเป็นอันมากจนพ่อผัวเห็นแล้วตกใจให้คนไล่กลับเสียไม่น้อยแม้นางวิสาขาจะบอกว่าไม่ต้องห่วงใหญเขาจะเลี้ยงตัวเขาเองมีคาระเศรษฐีก็หาฟังไม่วิสาขาเป็นผู้พูดจาไพเราะและเอื้อเฟอืเฟอ้อเผื่อแผ่จึงปรากฏว่าเป็นที่รักที่นิยมของคนทั้งหลายในกรุงสาวัตถีนั้นคนทั้งหลายได้ส่งเครื่องบรรณาการมาให้เป็นอันมากวิสาขาก็จัดแจงแจกจ่ายเพให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนบ้าน นอกจากนี้วิสาขายัางมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างยิ่งคืนหนึ่งนางลาแม่ม้าอาชาในตกลูกนางได้ให้หญิงคนชายถือประทีบลงไปดูพร้อมกับนางให้อาบน้ำอุ่นให้และให้ทาน้ํามันให้ส่วนมิคาระเศรษฐีนั้นเลื่อมใสในพวกชีบเปลือยเมื่อทำอาวหาหะมงคลบุตรเสร็จแล้วระลึกถึงชีบเปลือยจึงให้นิมนต์มาจานวนร้อยเลี้ยงอาหารอย่างดีและให้คนไปตามสบายมาไหว้พระอรหรันต์ พอได้ยินอรหันต์วิสาขาก็ดีใจว่าได้ไหว้พระที่เคารพเพราะตนเองเป็นโสดาบันแต่พอมาเห็นอรหันต์เปลือยของพ่อผัวเข้าเธอก็กระดากคิดว่าคนปราศจากคิริโอตุตปาเช่นนี้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทําไมพ่อผัวจึงให้เรียกเรามาดังนี้แล้วไม่ไหว้ไม่นั่งกลับไปเสียเฉยๆพวกขีเปลือยเห็นอาการของวิสาขาแล้วติดเตียนเศรษฐีเป็นเสียงเดียวกันว่าหญิงอื่นที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรือจึงเอาหญิงกาลักินี อย่างนี้มาเป็นสะพยจงขับไล่านางออกจากเรือนเสียโดยเร็วเถิดเศรษฐีคิดว่าสะพยของเรามาจากตระกูลใหญ่จะขับไล่านางออกด้วยเหตุเพียงคำพูดของพระกุณเจ้าหาควรไม่ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะถือเลยนางเป็นเด็กทำไปด้วยรู้บ้างไม่รู้บ้างเมื่อพวกขีเปลือยไปแล้วมีคาราเศรษฐีนั่งรับประทานข้าวมัุ ป, ปาญาตคือข้าวต้มน้าตาลเจือน้านมวิสาขาอยู่ปฏิบัติ ขณะนั้นพระภิกษุผู้ถือบินษิษฐาเป็นปกติรูปหนึ่งมายืนอยู่หน้าเรือนวิสาขาเห็นแล้วคิดว่ายังไม่ควรบอกพ่อผัวก่อนแต่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้พ่อผัวเห็นพระจึงเลี่ยงไปยืนเสียข้างหนึ่งเศรษฐีเห็นพระแล้วก็แกล้งทําเป็นไม่เห็นนั่งก้มหน้าบริโภคเฉยวิสาขาทราบอาการนั้นจึงบอกพระว่านิมนต์โปรดข้าหน้าเถิดพ่อผัวของดิฉันกําลังบริโภคของเก่าเศรษฐีได้ฟังดังนั้นโกรธมาก แม้จะอดกลั้นได้คราวที่นางไม่เคารพฉีเปลยแต่คราวนี้อดทนไม่ไหวบอกคนใช้ให้ยกข้าววัตถุป่ายาตออกไปพร้อมกับให้ไล่วิสาขาออกจากบ้านเพราะนางกล้าด่าว่าเขาว่ากินของไม่สะอาดในการมงคลวิสาขากล่าวว่าคุณพ่อดิฉันจะมายอมออกจากบ้าน้วยเหตุเพียงเท่านี้คุณพ่อนำดิฉันมาเหมือนนำทาสีมาก็หาไม่ได้ดิฉันเป็นลูกของตระกูลที่ยังมีมารดาบิดา เมื่อดิฉันมาคุณพ่อของดิฉันได้ให้พราหมณ์แปดคนมาด้วยเพื่อคอยดูแลชำระโทษของดิฉันหากเพิ่งมีเพราะฉะนั้นขอให้เรียกพราหมณ์ทั้งแปดคนมาชำระโทษก่อนเศรษฐีอนุโลมตามเมื่อกุฎุมพีทั้งแปดคนมาแล้วเศรษฐีจึงเล่าเรื่องให้ฟังกุฎุมพีถามวิสาขาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือไม่วิสาขาตอบว่าฉันไม่ได้เจตนาว่าพ่อผัวว่าบริโภคของไม่สะอาดแต่ฉันหมายความว่าพ่อผัวของฉัน มั่งมีสีสุขอยู่บัดนี้เพราะบุญเก่าไม่ต้องทํางานเหนื่อยแรงก็มีกินมีใช้ฉันจึงว่าท่านบริโภคของเก่าฉันหมายความอย่างนี้กุดุมพีกล่าวว่าในเรื่องนี้ท่านไม่สามารถกล่าวโทษทิดาของพวกเราได้ทิดาของเรากล่าวชอบแล้วเหตุไรท่านจึงโก ร, เรธเศรษฐีถึงวิสาขาจะพ้นจากโทษอันนี้ก็จริงแต่ยังมีโทษอื่นอีกมากคืนหนึ่งในมัชฌิมยามนางวิสาขาและคนชายหญิงชายหลายคนลงไปหลังเรือนลงไปทําไม วิสาขาชี้แจงว่านางลาแม่ม้าอาชานัยตัวหนึ่งตกลลกฉันจึงให้คนใช้ถือประทีปลงไปดูช่วยเหลือมันเท่าที่พอจะช่วยเหลือได้ฉันจะมีความผิดอย่างไรในเรื่องนี้เศรษฐีได้กล่าวโทษอื่นอีกเกี่ยวกับโอวาสิพ่อที่ปิดาของวิสาขาได้กล่าวสอนเธอในคืนหนึ่งก่อนส่งตัวมายังสกุลของสามีเศรษฐีมิคาระกล่าวว่าการให้อวาตแก่บุตรีเช่นนั้นไม่ควรเช่นข้อที่หนึ่งว่าไฟนายนอย่านำออก ก็เมื่อไฟที่บ้านของคนอื่นดับเขามาขอไฟเราจะใจแคบอย่างไรถึงกับไม่ยอมให้ไฟภายในเรือนของเราออกไปส่วนไฟนอกจะนําเข้าก็เหมือนกันเมื่อไฟภายในเรือนของเราดับเราก็ต้องขอไฟจากภายนอกโอวาทของธนัญชัยบิดาของวิสาขาเป็นโอวาทที่ปิดบังซ่อนเร้นเราไม่สามารถเข้าใจความหมายได้นี่เป็นความผิดของวิสาขาเหมือนกันกุดุมพีขอให้วิสาขาอธิบายความหมายของโอวาททั้งสิบข้อนั้นวิสาขาอธิบายตามลําดับดังนี้ ข้อว่าไฟนายอย่านำออกนั้นหมายความว่าเมื่อเห็นโทษของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วอย่านําโทษนั้นไปกล่าวให้คนภายนอกรู้ข้อว่าไฟนอกจะนำเข้านั้นหมายความว่ า, วาเมื่อคนบ้านใกล้เรือนเคียงพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวหรือของสามีก็จงอย่านำคำพูดเหล่านั้นมาพูดให้ท่านฟังอีกข้อว่าเจ้าจงให้แก่คนที่ควนให้นั้นหมายความว่ า, วาใครมายืมเงิน หรือของใช้ไปแล้วนํามาส่งคืนในเวลาอันควรก็จงให้แก่บุคคลเช่นนั้นข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่ า, วาใครมายืมเงินทองของใช้แล้วไม่ส่งคืนจงอย่าให้แก่บุคคลเช่นนั้นอีกข้อว่าจงให้แก่บุคคลทั้งที่ให้และไม่ให้นั้นเมื่อยากหรือมิตรยากจนมาพึงอาศัยหรือยืมเงินทองของใช้จงให้แก่คนเหล่านั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ใช้คืนก็ตามข้อว่า พึงนั่งให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าควรนั่งในที่อันเหมาะสมแก่ตนเช่นไม่นั่งขวางประตูเมื่อสามีหรือพ่อผัวแม่ผัวนั่งอยู่ในที่ต่ําตนเองไม่ควรนั่งในที่สูงเป็นต้นข้อว่าพึงบริโภคให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าไม่ควรบริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีพึงดูแลปรนิบัติท่านให้บริโภคให้เป็นสุขก่อนแล้วตนจึงจะบริโภคในภายหลังข้อว่าพึงนอนให้เป็นสุขนั้นหมายความว่า ไม่พึงนอนก่อนสาม p, พออีพ่อผัวหรือแม่ผ <im ri ana> ัวพ p, ึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้นอนให้เป็นสุกก่อนแล้วตนจึงนอนในภายหลังข้อว่าพึงบำเบลไฟนั้นอธิบายว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นประหนึ่งกองไฟเพราะสามารถให้ทั้งคุณและโทษให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติชอบให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติไม่ชอบเพราะฉะนั้นพึงปฏิบัติบำเรอท่านเหล่านั้นโดยชอบข้อว่าพึงนอบน้อมเทวดาภายในนั้นอธิบายว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามี อันธัญญาหรือสะายพึงเห็นเป็นเช่นเทวดาพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นโดยเคารพพึงเคารพอ่อนน้อมต่อท่านเหล่านั้นเศรษฐีมิคาระฟังคําอธิบายโ อ, อวาททั้งสิบข้อแล้วไม่อาจโทษทิยงอะไรได้นั่งก้มหน้านิ่งอยู่กุฎุมพีถามว่าท่านเศรษฐียังมองเห็นโทษอะไรอะไรแห่งธิดาของเราอยู่อีกหรือไม่ไม่มีแล้วเศรษฐีตอบค่อนข้างอายเล็กน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะขับไล่ธิดาของเราโดยเหตุใดท่านทําไปโดยไม่มีเหตุผลเลย เมื่อเศรษฐียังนิ่งอยู่วิสาขาจึางกล่าวว่าเมื่อบิดาแห่งสามีขับไล่ให้ออกจากบ้านฉันยังไม่อยากออกก็เพราะยังไม่ทราบว่าฉันมีความผิดถูกประการใดแต่บัดนี้ได้รู้แน่นอนแล้วว่าฉันไม่มีความผิดฉันพร้อมที่จะกลับบ้านอย่างผู้บริสุทธิ์ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยจัดยานพาหนะไวใ้ให้พร้อมเศรษฐีเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นจึงยึดลูกสะพายไว้ขอโทษนางที่กล่าวไปโดยไม่รู้วิสาขาบอกว่ายกโทษให้บิดาได้ทุกอย่าง แต่เนื่องจากนางจเจริญเติบโตมาในตระกูลอันเลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลนมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เลยจึงไม่ปรารถนาจะอยู่หากบิดาอยากให้อยู่ต่อไปก็ขอให้อนุญาตให้บำรุงเรียงพระสงฆ์ได้วิสาขาดีใจเหลือเกินเมื่อเศรษฐีพ่อผัวบอกอนุญาตให้ทำบุญให้ทานได้ตามปรารถนาในวันรุ่งขึ้นนางจึงทูลนิ ม, มนต์พระศาสดาและภิกษุเข้ารับพัตฐารที่เรือนของตนพวกสมณะเปลือย รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเรือนของมิขาระก็พากันมานั่งล้อมเรือนไว้วิสาขาถวายนา้ําแด่พระาศาสดาแล้วส่งคนไปตามพ่อผัวว่าขอให้มาอังคาดคือเลี้ยงดูพระโทษผลด้วยเถิดแต่พวกชีเปลือยคอยห้ามเศรษฐีไว้ว่าไม่ควรเข้าใกล้พระสมณะโคดมเศรษฐีจึงให้คนไปบอกวิสาขา ว, ว่าจงเลี้ยงพระพุทธเจ้าเองเถิดท่านไปไม่ได้เมื่อพระาศาสดาเสวยเสร็จแล้ววิสาขาส่งข่าวไปอีกว่า ขอให้บิดามาฟังอนโมทนาเศรษฐีคิดว่าเมื่อหลูกสะพ้ายส่งคนมาตามถึงสองครั้งแล้วการไม่ไปนั้นไม่สมควรประกอบกับตนอยากฟังธรรมอยู่ด้วยแต่พวกขีเปลือยพยายามทัดทานไว้เมื่อรู้แน่ว่าไม่สามารถห้ามเศรษฐีได้จึงบอกว่าไปฟังก็ได้แต่ควรจะฟังนอกม่านพวกขีเปลือยพากันล่วงหน้าไปก่อนไปกั้นม่านไว้ให้เศรษฐีฟังธรรมนอกม่านเศรษฐีก็ทําอย่างนั้นพระศาสดานั้น ทรงมีบุญญาธิการมากทรงมีพระบรมีเต็มเปี่ยมแม้บุคคลอยู่คนละฟากภูเขาฝากแม่น้ําหากมีประสงค์จะให้ได้ยินพระธรรมเทศนาบุคคลนั้นย่อมได้ยินไม่ต้องพูดถึงนั่งเพียงนอกมานดังนั้นเมื่อเศรษฐีนั่งเรียบร้อยแล้วพระศาสนาจึงเริ่มอนุปุปพิกถาและธรมรมะประยายอื่นๆอีกท่านว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุปมาดังดวงจันทร์คือคนทั้งหลายมองเห็นดวงจันทร์อยู่เหนือศีษะของตน อยู่ตรงบ้านของตนไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ที่ใดหรือบ้านของเขาจะอยู่แห่งใดพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาอยู่คนฟังเข้าใจว่าตรัสอยู่กับตนท่านว่านี่เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทรงธรรมาดีทรงบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากเช่นบุตรพัญญาอันเป็นที่รักเลือดเนื้อและชีวิตเป็นตน้นพระศาสดาทรงสแสดงธรรมโดยอนเนกประยายมุ่งเอามีขาราเสฐีเป็นสําคัญ เศรษฐีส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปฏิพันมีศรัทธาไมห่หวั่นไหวหรือเรียกว่าอ จ, จะลัสศรัทธาหมดความสงสัยในคุณพระรัตนไตร ย, ยกชายม่านขึ้นจุมพิตถันหญิงสะใภ้แล้วยกให้เป็นมารดาของตนในฐานะได้ชักชวนให้มองเห็นแสงสว่างทางชีวิตคนทั้งหลายจึงเรียกวิสาขาว่ามีขาระมารดาเศรษฐีปล่อยหญิงสะใภ้แล้วมาจุมพิตพระบาทของพระศาสดา ประกาศชื่อของตนสามครั้งเป็นทันเนียมนิยมแห่งการแสดงความเคารพและทูลว่าไม่เคยสร้างมาก่อนเลยว่าทานที่บุคคลทำแล้วในศาสนานี้มีผลมากเพราะได้อาศัยหญิงสะพยจึงสามารถพ้นจากอบายทุกขั้งปวงวิสาขามาสู่เรือนของข้าพระองค์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์โดยแท้วิสาขาทูลอาราธนาพระศาสดาลและนิมนต์ภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยและฉันอาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้น อ, อีก ตั้งแต่นั้นมาเรือนของมิคาระและวิสาขามีประตูอันเปิดแล้วเพื่อพระพุทธศาสนาเสถียรคิดว่าวิสาขามีอุปการะมากต่อตนอยากจะให้บรรณาการอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นปฏิการตรองเห็นว่าเครื่องประดับมหาลดาประสาทของวิสาขานั้นหนักนักสวมใส่ไม่ได้ทุกโอกาสจึงปรารถนาทําเครื่องประดับเบาๆให้ลูกสะพายซึ่งสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสให้เรียกช่างทองมาให้ทําเครื่องประดับเบาๆชื่อ คณะมัทกะคงจะแปลว่ากลมๆกริ่งเกรียงราคาไม่แพงนะักคือแสนหนึ่งเมื่อเครื่องประดับเสร็จแล้วเศรษฐีได้ทูนิมนพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์มาถวายให้วิสาขาอาบด้วยน้ำหอมสิบหกหม้อเป็นสนนนิยมแล้วมอบเครื่องประดับใหม่ให้ให้ยืนถวายบังคมพระาศาสดาอยู่หน้าที่อันควรแก่ตนจาเดิมแต่นั้นมาวิสาขาทาบุญมากมีทานเป็นต้นได้รับพร แประการในสำนักพระสัสดาพรในที่นี้เป็นพรเกี่ยวกับการขออนุญาตถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้แก่พระสงฆ์เช่นเมื่อพระจะเข้ารษาขอถวายผ้าอับน้ำฝนเป็นต้นเธอปรากฏตนเป็นประหนึ่งจันทร์เลขาคือวงจันทร์ในกลางนภาอากาศสว่างรุ่งเรืองมีรัศมีอันเย็นสนิทเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้เข้าใกล้และได้ประสบพบเห็นเธอมีบุตรธิดามากถึงยี่สิบคนบุตรธิดาแต่ละคนมีลูกชายสิบคนลูกหญิงสิบคน หลานของเธอก็เหมือนกันเธอมีอายุหนึ่งรอยี่สิบปีแต่ยังสวยพริ้งเหมือนสาวๆเมื่อเดินไปกวัด บ, บุตรหลานคนที่มีรู้จักมาก่อนย่อมดูไม่ออกว่าคนไหนคือวิสาขาบุตรคนหนึ่งของเธอชื่อมิคาระเหมือนปู่ของเขาเมื่อเธอเดินคนทั้งหลายก็อยากเห็นเธอนั่งนอนยืนคนทั้งหลายก็อยากเห็นเพราะงามทุกอิรยาบทบุตรหลานของนางล้วนรูปงามผิวพรรณดีไม่มีโรค ไม่มีใครตายเมื่อยังหนุ่มสาวทั้งนี้เป็นด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญของนางนางก็ไปงานมงคลอวบมงคลในเมืองสาวาัตถีไม่ได้ว่างเว้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องสมานาเทวีวันหนึ่งบริโภคอาหารในที่รับเชิญแล้วในงานนั้นนางต้องแต่งเครื่องมหาลดาประสานไปด้วยแต่เห็นว่าจะแต่งเครื่องประดับชนนี้เข้าเฝ้าพระศาธธสดาจะไม่เหมาะจึงเปลื่องเครื่องประดับให้คนรับใช้ถือไว้ ส่วนตนเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยเครื่องประดับลํารองชื่อคณะมัทกะที่พ่อผัวทำให้เมื่อสดับทำพอสมควรแล้วก็ถวายบังคมลาแล้วไปเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุสงฆ์กับสหายคนหนึ่งชื่อสุ ป, ปิยาเพื่อพระรูปใดต้องการอะไรจะได้ถวายเมื่อเยี่ยมพระเสร็จแล้วออกมาถึงประตูวัดเชตวันจึงถามหาเครื่องประดับมหาละดาประสาทแต่ปรากฏว่าหญิงคนใช้ลืมทิ้งไว้ที่วิหาร พระอานนท์เก็บไว้เมื่อคนรับใช้จะกลับมาเอาเครื่องประดับวิสาขาสังว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์เก็บไว้ก็ไม่ต้องรับคืนมาและความจริงก็เป็นเช่นที่วิสาขาคาดหมายพระอานนท์ได้เก็บไว้เป็นธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งว่าหากผู้ที่มาฟังธรรมลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นหน้าที่ของพระอนนท์ที่จะเก็บของนั้นไว้จนกว่าเจ้าของจะมารับคืนเมื่อหญิงรับใช้ของวิสาขาม มารับเครื่องประดับมหารดาประสาททราบว่าพระอานนท์เก็บไว้นางจึงกราบเียลท่านว่านางหญิงม่ให้รับเกินสิ่งของที่ท่านจับต้องแล้วนางรีบกลับไปบอกนางวิสาขาวิสาขาบอกว่าจะไม่ประดับเครื่องนั้นอีกแต่ครั้นจะให้พระคุณเจ้าอานนท์เก็บไว้ก็จะลำบากกับการรักษาจึงให้หญิงคนใช้ไปรับกลับมาแต่ไม่ได้ประดับเพราะความเคารพในพระอนนท์นางต้องการขายเครื่องประดับนั้นเพื่อนําเงินมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งถวายส่ง เมื่อกลับถึงบ้านนางให้เรียกช่างทองมาตีราคาเครื่องประดับพวกช่างทองบอกว่าเก้าโกดคือเก้าสิบล้านส่วนค่าจ้างทําอีกแสนหนึ่งต่างหากรวมเป็นเก้าสิบล้านหนึ่งแสนวิสาขาให้คนเที่ยวนําเครื่องประดับนั้นไปบอกขายแต่ไม่มีใครรับซื้อได้เพราะไม่มีทรัพย์ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหญิงผู้มีบุญพอที่จะประดับเครื่องประดับนี้หาได้ยากท่านว่าในพื้นชมพูทวีปทั้งสิน้น มีหญิงผู้มีบุญอยู่สามคนเท่านั้นที่ได้เครื่องประดับมหารดาาทาคือวิสาขาหนึ่งมาริกาพัญญาของพันธุระเสนาบุรีหนึ่งและลูกสาวเศรษฐีเมืองพราณสีหนึ่งเมื่อขายคนอื่นไม่ได้วิสาขาจึงรับซื้อเครื่องประดับนั่นซื้อเองแล้วขนเงินเก้าสิบล้านหนึ่งแสนใส่เกวียนนําไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องทั้งปวงและความเห็นทั้งปวงของตนให้พระศาสดาทารงทราบ และทูลถามว่าตนจะควรทําอย่างไหนในปัจจัยสี่พระศาสดาตรัสว่าวิสาขารตถาคตเห็นว่าเธอควรสร้างที่อยู่เพื่อสงใกล้ประตูทางที่ตะวันออกแห่งนครวิสาขาดําเนินตามพระดํำรัสแห่งพระตถาคตได้เอาทรัพย์เก้าสิบล้านซื้อที่ดินและอีกเก้าสิบล้านสร้างที่อยู่เพื่อสงสร้างอยู่เก้าเดือนจึงสําเร็จเรียบร้อยนางบริจาคทรัพย์อีกเก้าสิบล้านในการฉลองวัด วัดนั้นให้ชื่อว่าบุพารามเพราะอยู่ทางที่ตวนออกแห่งนครสาวัตถีการสร้างวัดครั้งนี้เป็นการบริจาคอันยิ่งใหญ่ของวิสาขาซึ่งหญิงอื่นๆทำได้ยากเหลือเกินความสาเร็จครั้งนี้ทำให้วิสาขาปิติภาคภาคูมิเหลือเกินเพราะความปรารถนาหลายอย่างที่ฝังใจอยู่นานได้สเร็จลงดังนั้นเมื่อเลี้ยงพระเพลิเสร็จแล้วตกบ่าย วิสาขาพร้อมได้บุตรและหลานเดินเวียนรอบปราสาทในบุพารามนั่นเองเปล่งอุทานด้วยความชื่นบานว่าความดลบริของเราในการจะสร้างวิหารถวายสงฆ์หนึ่งสร้างเตียงตั้งผูกหมอนและเสนาสนาพันธุ์ต่างๆหนึ่งถวายโภชนาทานอันประณีตแกสงฆ์หนึ่งถวายจีวรท า, านด้วยผ้านชนิดต่างๆหนึ่งถวายเภสัชทานมีเนยใสยเนยข้นเป็นต้นหนึ่งบัดนี้ความดําริทั้งปวงของเราได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว ภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนางแล้วเข้าใจว่านางขับร้องเพราะมีจิตวิปลาสไปจึงกราบทูลพระศัสดาพระพระุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่ดาของเราหาขับเพลงร้องรำแต่ประการใดไม่แต่เธอกระทําเช่นนั้นเพราะรู้สึกว่าอัชาสัยและความปรารถนาต่างๆของเธอได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเธอดีใจว่าความปรารถนาที่ตั้งไว้ได้บรรลุ ถ, ถึงที่สุดแล้วจึงเดินเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจ ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเธอตั้งความปรารถนาไปแต่การไรพระศาสดาจึงตรัสเล่าความปรารถนาในอดีตของวิสาขาให้ภิกษุทั้งหลายทราบดังนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระวิสาขาเป็นเพื่อนของหญิงยอดอุปถายิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเธอได้เห็นหญิงสาขายสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากพูดกับพระศาสดาด้วยความคุ้นเคยเธอปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้าง จึงทูลถามพระปะทุมุตระพุทธเจ้าว่าหญิงนั้นได้ทำกรรมอะไรไว้จึงได้เป็นยอดแห่งอุปถายิกาพระศาสดาตรัสตอบว่าเธอได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแสงกลับมาแล้วหากห ม, มุมฉันปรารถนาตําแหน่งเช่นนั้นบ้างจะได้หรือไม่พระศาสดาทรงพิจารณาแล้วทรงเห็นว่านางสามารถได้ตําแหน่งนั้นจึงทรงรับรองว่านางจะได้ตําแหน่งยอดแห่งอุปถายิกา ในศาสนาแห่งพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขฉันอาหารที่บ้านของตนเป็นเวลาเจ็ดวันในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าสาดกแก่พระสงฆ์เพื่อให้ทําจีวรถวายบังคมพระศาสนาแล้วมอบปรงแท้พระบาทตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ด้วยอํานาจพลแห่งฐานนี้หม่อมฉันไม่ได้ปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแต่ขอให้หม่อมฉัน เพิ่งได้รับพรแปประการในสํานักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์ตั้งอยู่ในฐานะดุลมารดาเป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้สามารถบัรุงด้วยปัจจัยสีพระศาสดาทรงรับรองว่านางจักสําเร็จความปรารถนานั้นในศาสนาของพระโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้านางทําบุญอยู่จนตลอดอายุเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกเป็นเวลานานต่อมาในศาสนาแห่งพระกสุปทศพล นางมาเกิดเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้องพระนามว่าสังคทาสีของพระเจ้าคาสีพระนามว่ากิกินางได้ตั้งความปรารถนาไว้เหมือนเดิมแม้ในศาสนาของพระกะศ พ, พุทธเจ้านั้นท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษโลกอีกนานมาในศาสนานี้การบัดนี้นางมาเป็นธิดาของธนันชัยเศรษฐีครั้นนําเรื่องอดีตมาเล่าแก่พิกสุทธิ์ั้งหลายจบแล้วพระาศาสดาจึงตรัสตอไปว่านี่แหละพิสุทธทั้งหลาย ทิดาของเราหาร้องรำทำเพลงแต่ประการดใดไม่แต่เธออุทานด้วยความเบิกบานใจที่ความปรารถนาในบุญกุศลทุกอย่างเต็มเปียมบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายจิตของวิสาขาธิดาแห่งเราย่อมน้อมปในกุศลอยู่เสมอประหนึ่งช่างดอกไม้ผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้ทําให้เป็นกองโตแล้วเลือกทําพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายถาปิปุราสิมมหาเป็นอาทิ มีในดังพน า, นามาแล้วแต่ต้น